นาฬิกาถามบ้านถามที่ดินดิมันเคยบอกไหมัมนเป็นตะโกนบอกใหม้มันเป็นของยมนบไม่เคยบอกหนระอกยมนบต่เงาพี่เดียตะโกนบอกคนอื่นว่าเป็นของเราใช่ไหมเดี๋ยข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นก็มันอัพยากตาธรรมมันเป็นอัิยกตาธรรมเนี่ยเป็นรูปธรรมนั่นนะ่ะใช่ไหมเออมันไปเยื้ติดมันเองเนะี่ยถ้าฉลาดหน่อยแค่นั้นมันก็ไม่เป็นทุกข์ไอ้วัตถุชิ้นนี้หรอกมองออกอย่างเงี้ย อันนี้ว่ายบอกยอมนอบนี่บอกทุกคนนะเนี่ยยกยอมนบหนึ่งนี่นะแต่ทั้งหมดนี่ต้องฟังด้วยเข้าใจป่ะนี่เป็นแบบนี้คือต้องการให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรรูปธรรมมันเป็นบุญเป็นบาปได้ที่ไหนแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนังสือเนี่ยเป็นบุญเป็นบาปได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยหนังสือเล่มนี้เป็นบุญเป็นบาปไม่ได้หรอกตัวหนังสือเองเป็นบุญก็ไม่ได้เป็นบาปก็ได้เป็นอภิยญากาธรรมา สภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมที่ไม่เรียกว่าบุญและบาปเลยตัวเนี้ยเป็นรูปธรรมมีอยู่แปดรูปมีสีใช่ไหมมีดินน้ําไฟลมแล้วก็มีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชามีแปดแปดรูปแค่นี้แหละแต่ถ้าทําให้มีเสียงหน่อยก็คือเขย่าก็เหย่าหน่อยก็มีเสียงใช่ไหมเพิ่มมาใหม่ก็เป็นก้าวอะไก็ว่าไปเสียงเกิดอยู่ตุก็ว่าไปเห็นไ้มว่าก็แยกให้ออกแต่บุญบาปเนี่ยมันเกิดที่ใจเรานะ เราจะคิดด้วยจิตที่เป็นบุญหรือคิดด้วยจิตที่เป็นบาปกับรูปนี้ถ้าคิดด้วยจิตที่เป็นบาปเราทำอกุศลกรรมทํากรรมชั่วนะแล้วถามว่ากรรมชั่วเนี่ยไม่ได้ไปส่งผลแก่แก่ดินน้ําไฟลมนี่นะแต่มันจะส่งผลแก่ดินน้ําไฟลมในกระแสชีวิตของเราในการสืบไปนะทําไมทําลายตัวเองทํามาแต่ถ้าเราคิดด้วยจิตที่เป็นบุญเนี่ยกุศลกรรมที่คิดเนี่ยมันจะคอยส่งเสริมกระแสชีวิตในการต่อไปเราจะเอายังไง อย่าลืมนะว่าต้องฉลาดคิดหนึ่งศรัท ธ, ธาแต่มันพันอกุศลที่แวดล้อมเนี่ยจะทำยังไงจะฝ่าวงจรฝ่าวงล้อมบาปนี้ไปได้ก็เพิ่มศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้มันมากถามว่าในยุคปัจจุบันยังเป็นสถานการณ์ปกติไหมไม่ใช่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินไอเราไปนนึกว่าสถานการณ์ปกติ มันเป็นสถานการณ์ในการที่จะต้องระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงใช่ไหมนี่เรายังไม่ถึงธรรมอะไรเลยไม่ถึงมักสักมากเลยเนี่ยพอจะมองออกไปเงี้ยนี่เป็นอย่างนี้เอาเออกมาเหลืออีกสามสิบนาทีเนี่ยถามปัญหาเนี่ยอวันนี้ไม่ได้เบรกเลยลืมไปเลยเนี่ยเหลืออีกสามสิบนาทีจบแล้วอ๋อมีใครจะถามปัญหาไหมมีไม่มีไม่มีเลยเลยโอ้โหไม่มีใครถามปัญหาเลยไม่มีใครถามปัญหาเลย อาโยมหวานว่าไงคืออย่างนี้ก็แล้วกันนะว่าถ้าเรามองอย่างนี้ว่าในชั้นของคําสอนเนี่ยนะถ้าพูดถึงในเรื่องของการให้เนี่ยเดี๋ยวมาไล่ตรงนี้นิดหนึ่งเอาชีเคยให้ใเคยตักบาตรไหมเอาให้ข้าวเป็นทานใช่ไหมให้กลับด้วยใช่ไหมเออคิดยังไงคิดได้ดูหน่อยอะไรนะเออเอ า, เอาวาไป ไม่กใครสอนมาเนี่ยฮะคิดแดงเลยนะอา้าวต่อไปเอาที่นั่งใกล้ๆ ก, กันเคยเคยใส่เคยตากบาทไหมอา้าวคิดยังไง อ, อย่าไปเหมือนกันลอกแบบกันไม่เอาเอาไงบูธิส่วนกูส่วนเลยพอใส่ปุ๊บก็รีบบูทิสเลยอ้าวเอาเอ า, เอาต่อมาโยมฮะอ๋อให้าศาสนายั่งยืนเนะีะเนี้ยให้าศาสนาก็มองไปที่พระเลยนาะยท่านอ้วนๆเยอะๆงี้วะนีนยยยยย่ยั ง, ยงไง ให้ท่านไปสืบทอดศาสนาให้ยั่งยืนเอออ้าวอ้าต่อมาอ้าวยมวันดีเพื่อสละเนี่ยหรืออ๋อสละทําให้อโลพาเด่นขึ้นอ้าวว่ามายอมว่าไงอ๋อเอางั้นเลยต่อไปอ้าวต่อมาว่าไงยอมครับเป็นประเพณีนีะอ่ะเจ็เป็นกุศลเป็นประเพณีอ้าวยมหวานว่าไปอจันหลงเพื่อเอาไม่เชี่ยวเรียนทุ่งสงกลยทางนั้นเอาว่ามาอ๋อสืบต่อศาสนาเอาว่าไง สลาความตันนี้นี่ทำลายโทสาเนะ่ยความตันีอยู่กับโทษาไหมมัฉริยะนี่อยู่กับโทษาเนอนทนะทําลายโทษาว่างั้นเถอะอ้อาวชีว่างไงอ๋อถวายพระยศสงฆ์หลากหลายเลยนะนี่คนละจิตกันเลยนะนี่เห็นชัดเลยเอาแถวหน้าเอายอมเนาะเมื่อกี้บอกอยังยังเอาว่างัา้นอ๋อปัญญพลโทอา้อา เนบออเออน่าคิดนะนะให้บุตรเนี่ยนะคืออย่างนี้ฮะอ๋อจ้ะกรณีแห่งการให้ข้าวเนี่ยนะการให้ข้าวเป็นทานเนี่ยบอกว่า การให้ข้าวเป็นทานให้อาหารเป็นทานให้ปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดเป็นทานเพราะพระบริษัทเนี่ยหรือบุคคลที่เจริญทานกุศลเป็นไม่ใช่เฉพาะข้าวจะต้องมีอาหารหวานข้าวแวดล้อมข้าวด้วยเอาข้าวเป็นประธานนะแล้วมีอะไรเป็นบริวารเนนะี่ยมีแกงมีกับมีอะไรต่างเป็นบริวารอีกมากมายอาจจะมีทูบเทียนดอกไม้อะไรต่างเป็นบริวารก็ว่าไปนะแต่ว่ามีข้าวน่นแหละเป็นประธานแต่ข้าวนี้ให้อะไรนะ อย่างสมบัติทั้งหลายมีอายุใช่ไหมมีวันณนะผิวพรรณมีความสุขมีกําลังแล้วก็มีปัญญาให้เกิดขึ้นเรานั้นเราน้อมถวายข้าวนี่แหละบูชาพระรัตนตรยัยคือพระเจ้าพระธรรมประสงค์ในครั้งนี้จะเป็นปัจจัยแก่การได้มีส่วนแห่งการได้อายุได้วันณนะได้ความสุขได้กําลังและได้ปัญญา ที่จะเป็นปัจจัยต่อการเดินทานศีลภาวนาเป็นปัจจัยแก่การพัฒนาในการที่ทําให้ตนเองในเข้าถึงความบนทุกข์ด้วยข้าวด้วยอาหารมื้อนี้น้อมอย่างนี้เห็นเหตุและเห็นผลนั่นดีเลยและท่านที่เราบูชาท่านที่เราถวายคือพระพุทธคือพระรัตนตรัยเนี่ยหนึ่งองค์เนี่ยแต่เป็นตัวแทนของสังฆะเนี่ยเป็นสังฆะนะที่หาประมาณไม่ได้ใช่ไหมก็มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกด้วยลองคิดดูสิ เจตนาของเราในะกระทบพระรัตนไตรไหมกระทบคุณของพระรัตนตรยยิ่งใหญ่ไหมนี่ไงจะเป็นปัจจัยความพ้นทุกข์แต่ในเส้นทางของเรานะั้นน่ะจะเป็นเส้นทางของความเป็นผู้มีอายุเป็นผู้มีวันนะเป็นผู้มีความสุขนะเป็นผู้มีกําลังเป็นผู้มีปฏิพานคือปัญญาและจะต้องตัดสู้แล้วพ้นจากวัฏจทุกข์ในที่สุดด้วยข้าวมือนี้ด้วยอาหารด้วยอาหารที่เราให้ไปเนี้ยเนี่ยมันเรียกว่า ไม่ใช่อโลภะอย่างเดียวที่ทํางานความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ผ่องใสด้วยเพราะปฏิฆาหกไม่เป็นที่ปฏิฆาขัดเครืองเราเลยเนี่ยเราก็ประดับตกแต่งทานที่ประณีดด้วยเพราะเราจะน้อมถวายพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมสังฆาทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปัญญาก็เกิดด้วยสัมมาทิฏฐิกระดุดเป็นดวงประทีปส่องแสงสว่างเห็นกรรมเห็นผลของกรรมเห็นว่าความสมบูรณ์อย่งภพชาติ คือความสมบูรณ์ของตาหูจมูกลิ้นกายใจความสมบูรณ์แห่งสิ่งแวดล้อมคือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสความสมบูรณ์แห่งทรัพย์สมบัติทั้งหลายบริวารสมบัติทั้งหลายจักบริบูรณ์มากและการให้ในครั้งนี้เราให้ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นด้วยให้ด้วยความนอบน้อมด้วยฉะนั้นบริวารสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นที่จะได้ในการต่อไปจะเป็นผู้แวดล้อมเราด้วยความเคารพด้วยถ้าตราบใดยังไม่พ้นทุก แต่อัธยาศัยเราจะไม่ติดข้องด้วยเพราะเราให้แบบสลาขาดการให้แบบสลาขาดเราจะไม่เป็นเสมือนปู่โสมเฝ้าทรัพย์เราจะไม่ปวดใจเพราะการมีทรัพย์เหมือนยมนก ป, นกปวดใจเ <c oughs> นี่ยเพราะการให้ในอดีตเนีเอามาเห็นผลามาสาวอดีตเป็นไงไม่ใช่ไปตาหนินะเหตุ <c oughs> ผลที่เป็นอย่างนี้ถ้าชี้ตรงตรงตรงูมเลยเนี่ย <c oughs> เพราะในอดีตการให้ทานแบบยึดติด เพราะการให้ทานแบบยึดติดแต่พอมามีทรัพย์ก็เลยกลายเป็นปู่โสมทุกพ่อทรัพย์คนมีบุตรเนะื้ทุกเพ่อบุตรคนมีโคทุกพวกโคอะ่ะเพราะการให้ไม่ขาดตอบหนึ่งปัญหากระทบอีกสองปัญหาเนี่ยนะสามปัญหาเนี่ยงั้นการให้แบบไม่สลากขาดนี่แหละพอเรามามีสามีมีบุตรมีภรรยาทั้งหลายมวมีทรัพย์ทั้งหลายก็ยึดติดเป็นทุกข์ละมันเพราะไม่ให้แบบสลาขาด ผลที่ให้แบบไม่สลาขาดก็กลายมาเป็นคนซึ่งต้องเฝ้าทรัพย์เหนื่อยกับซับนั้นกับบริวารมีบริวารบริวารก็ไม่เชื่อฟังเพราะไม่ให้ด้วยความเคารพในอดีตขาดสบุริสถานและก็ได้ทรัพย์ไม่บริบูรณ์ตามการเพราะไม่ให้ทานตามการพระที่จะเดินทางพราที่มาหาเป็นต้นป่วยเจ็บและก็ว่าที่ตามลําดับเมื่อให้ของใหม่ข้าวใหม่ในการในฤดูการอีกเยอะแยะในรายละเอียดไปดูในการการในทางการละทาน หประการ5ประการไปดูในรายละเอียดนั้นงั้นในรายละเอียดทั้งหมดมันเกี่ยวกับเหตุที่เราทำมาเนาะผลที่มันเกิดขึ้นถ้าเรารู้อย่างนี้ก็ทําลายซิยะทาลายความความรู้สึกติดยึดทีนี้พอพูดมาถึงตรงนี้ถามบอกว่าแล้วแล้วสละบุตรสละยังไงใช่ไหมสละบุตรสละอย่างไรถามว่าโทษของการไม่ทําลายโลภะใช่ไหมเราจึงเป็นทุกข์เนี่ยถ้าถามบอกว่าเรารักมากชันใดแล้วก็น้อมถวาย การน้อมสละการน้อมถวายเบ็ยดเสด็จเนี่ยไม่ใช่แล้วว่าเราจะไม่รับผิดชอบแต่เราทําแล้วก็ทําหน้าที่ที่ที่โดยฐานะด้วยความเป็นเป็นแม่เนี่ยถามบอกว่าหนึ่งเราดูแลเขาสั่งสอนเขาอบรมเขาด้วยความฐานะเป็นแม่เนี่ยแต่ดูแลสั่งสอนทําไมเราเราก้าสละบุตรเพราะเรารู้ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยผูพกพระเจ้าผูกสัตว์ทั้งหลายในฐานะบุญท่านอยู่แล้วแล้วก็ถวายซ้ำเลยที่ ไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะพระเจ้านั้นผูกสัตว์ทั้งหลายเวนฐนฐานะเป็นบุตรข้าเขาเป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยเขาปลอดภัยยังมะแต่เป็นบุตรของเราเนี่ยเราเราให้ความปลอดภัยทางด้านจิตวิญญาณเขาไม่ได้เนะ่ให้ให้นําทางในสมาธิถีไม่ได้งั้นเราสละไม่ใช่สละทิ้งสละแบบตามเงื่อนไขที่เราไม่ให้โลภะทําลายใจเราสละเพื่อเพื่อขจัดความยึดติดด้วยโลภะต่อมาเราจะได้เมตตาเขาด้วยด้วยด้วย เราจะได้รักเขาแบบเมตตามีความรักปรารถนาดีแต่ไม่ยึดติดแต่ในขณะเดียวกันก็ทําหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ทํำยังไงก็ทําให้บริบูรณ์ทําไมต้องทําหน้าที่เอาเป็นจารีศีลเป็นจารีศีลถ้าไม่ทําดีเราไม่มีจารีศีลถ้าไม่มีจารีศีลเราไม่ได้ทําปฏิบัติตามทิฏกที่ทรงบอกไว้ที่พระเจ้าสอนว่าลูกควรปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไรพ่อแม่ควรปฏิบัติต่อลูกอย่างไร ฉะนั้นเราปฏิบัติต่อต่อลูกเนี่ยเราปฏิบัติในศีลทำไมเราปฏิบัติในศีลเพราะเราเป็นอุบาสิกาของพระพุทธญาณทำไมเราต้องปฏิบัติในศีลเพราะเราจะทำวาลีศีลในบริบูรณ์คือศีลหลักที่เป็นข้อหลักที่เราจะพัฒนาตนเองเข้าสู่ความพ้นทุกข์ฉะนั้นเราก็เลยต้องทำหน้าที่และถารมาจารีศีลต้องเป็นใบกุศลนะธรรมาจารีศีลไปชื่ อ, อเจตนานะ เจตานานั้นต้องเป็นเจตานาที่เป็นไปกับความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็เป็นไปกับปัญญาก็ไม่ยึดติดเห็นอะไรเห็นเห็นกรรมเห็นผลของกรรมทำไมเราต้องประพฤติารีศีลเพราะเรามาเป็นมนุษย์ได้เพราะบุญมาเป็นมนุษย์ได้เพราะบุญและมาได้ฐานะในความเป็นแม่ได้เพราะเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันมาเมื่อเกี่ยวข้องกันมาล้วก็ปฏิบัติกับเขาในฐานะว่า เราได้น้อมอย่างไรเขาก็เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วอาทําไมถึงเป็นบุตรพระพุทธเจ้าผูกสัตว์โลกไว้ทั้งหมดในจักรวาลทั้งสิ้นไว้ในฐานะเป็นบุตรของท่านคือเป็นคนที่พระพุทธเจ้ายังต้องห่วงหรือหรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะต้องห่วงฉะนั้นการที่สละบุตรเนี่ยเพื่อพระพุทธเจ้าวเวลาท่านให้ทานท่านสละบุตรเนี่ยเพื่ออะไร เพื่อให้ออกจากความเป็นบุตรของตนเองเข้าสู่ความเป็นบุตรของภริยาเข้าสู่ความเป็นของภริยาใช่ไหมคำว่าบุตรเนี่ยเป็นที่หน้าห่วงเป็นที่หน้าห่วงปุตตาเนี่ยนะก็คือว่ามันคล้องใจเราอยู่ใช่ไหมแต่ในที่จริงว่าที่เราห่วงลูกไม่เท่ากับพระพุทธเจ้าห่วงเราไม่เท่าหรอกเพราะเราห่วงลูกก็ห่วงแบบโลภะโทสะโมหะ ห่วงแบบปุถุชนห่วงปุถุชนน่ยไม่ได้ห่วงจริงเราไม่ได้ห่วงจริงถ้าห่วงจริงเราต้องห่วงสังสารวัตรเขาด้วยว่าเขาจะพ้นทุกข์อย่างไรเขาจะไปยังไงคติข้างหน้าเขาจะไปยังไงไม่ใช่แค่ว่าให้เขาอิ่มท้องอยู่และเรียนหนังสือมันไม่ใช่อันนี้แค่ปัจจุบันนพบเราเลี้ยงดูเขาได้แค่ให้มีปัญญาหาข้าวกินแต่ถ้าเขาโลภเขาโกรธเขาหลงเขาทากรรมชั่วล่ะชีวิตของเขาก็เสียหาย เขาก็ต้องลงเอาใบายภูมิใปนั้นห่วงจริงไหมแต่พระศ า, าสดาห่วงจริงๆบอกประธานคุศลศีลไว้เมื่อเราสละอย่างนี้เบีดเสร็จเราบอกเขาตรงตรงเลยเนี่ยแม่สละลูกเนี่ยให้เป็นบุตรของพระเจ้านะเราสละถวารรค์พระเจ้าเนี่ ย, ย, เ, เ, ยเมื่อลูกเป็นบุตรพระเจ้าลูกอย่าดื้อ น, นะพระเจ้าให้มีศีลถามว่าจะยิ่งดีมหม ย, ยิ่งดีไหมบอกเขาทุกวันที่เนี่ยโตขึ้นเออเป็นผู้ชายถ้าลูกบวชแม่ชื่นใจมาก ถ้าเป็นผู้หญิงลูกก็เข้าวัดบ่อยๆนะรักษาศีลเจริญกุศลฟังธรรมเพราะแม่พอมีลูกเนี่ยแม่ก็เริ่มคิดถึงพระเจ้าแล้วแม่รักลูกมากเอาไรนะจะถวายพระเจ้าเอาลูกในท้องนี่แหละถวาย <c oughs> ก็กายและใจแม่ยังถวายได้ทําไมลูกในท้องแม่ไม่ถวายแล้วว่างั้นแม่เข้าใจแล้วทีนี้ยจะถวายลูกในท้องเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังกับูชาด้วยก็กายและใจของแม่ยังเป็นทาตของพระเจ้า ยังมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าได้ฉะนั้นลูกในท้องแม่ก็เลยถวายทําไมแม่ถึงถวายรูกไหมเพราะว่าอยากให้ลูกเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าจริงๆแม่ก็เต็มใจยกให้ด้วยถ้าลูกจะบวชของแม่ดีใจมากยัได้เกาะชายผ้าเหลืองโอ้โหยิ่งน่าชื่นใจไหมล่ะเนี่ยเราก็บอกเราถวายพระพุทธเจ้าแล้วแม่บางคนเนี่ยเป็นผู้หญิงเขาเตรียมล้างคันย่างไง ร, รู้ไหมบอกว่าขอให้เด็กมาเกิดเป็นพระโพธิสัตว์เธอใช่ไหมอย่างเนี้ เนีงนางสิริมหามายาไหมเธอปราถนามาวิ่รูกี่ล้านลานอัตภาพถามว่าคันของท่านผู้ใดมีพระโพธิสัตว์มาถือปฏิสนธิถามว่าถามว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยท่านผู้นั้นพ้นทุกข์เพราะเออเราไม่ได้คิดรางทองรอพระโพธิสัตว์นี่แหละใช่ไหมเราไม่ได้คิดไว้อ่ะตรสมาทานศีลรักษาศีลขอให้คนดีมีบุญระดับพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ถึงบรารมียังไม่มากขอมาเกิดท้องก็ไปเจ้าเถอะอย่าลืมนะถ้าพระโพธิสัต์ถือปฏิสนธิในท้องใครนี่นะจิตใจที่คิดบาปก็น้อมคิดบุญนะ่ยน้อมคิดบุญเนะ่ยอย่าลืมนะเป็นอุปนิสัยปัจจัยนะเป็นปัจจัยที่เป็นที่เกื้อหนุนนะที่จะทําให้กระแสชีวิตของเราเนะี่ยได้รับไออุ่นจากบุญของพระโพธิสัตว์ที่มากมายมหาศาลดูสังเกตดูนางสิริมหามายาที่ ที่พระโพธิสัตว์มาถือปฏิสนธิในครันของของเธอพอถือปฏิสนธิในครันปุ๊บเนี่ยหนึ่งไม่มีความกำหนัดในชายใดอีกเลยเห็นไหมไม่มีความกำหนัดขัดเครืองเลยจิตใจผ่องใสรละลึกเห็นบุตรตนเองเมื่อไรก็ได้นั่งขัดสมาธิใช่ไหมกายกรรชกายของนางสตรีมหามายาประดุจดังเจดีย์ทองพระพธิสัตว์ประดุจดังพระบรมสารีริกธาตุเห็นไหมเนี่ย มาอย่างยิ่งใหญ่แค่มาถือปฏิสนธิในครันของพระนางสตรีมหามายาแผ่นดินสะเทือนกระทบกันหมื่นจักรวาลเนียนี่คือคนมีบุญใช่ไหมนี่คนมีบุญเนี่ยล้างท้องรอล้างท้องรอล้างครันรอน่าชื่นใจไหมอย่างเงี้ยแล้วลองสังเกตดูดีเมื่อพอระโพธิสัตว์น่ะถือปฏิสนธิคลอดออกจากคันเบีเสร็จแล้วเนี่ยเจ็ดวันนางก็ไปรอลูก บนชั้นดุสิตต่อมาพอพอลูกคือพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ต้องนู้นจาริกไปเนี่ยเหยียบภูเขายุคคันธรก้าวหนึ่งอีกก้าวที่สามก็เหยียบนั่งประทับที่ท่านกรรมัมปันทุกัมพลศิลาอาแล้วก็อัญเชิญแม่มาจากชั้นดุสิตมาเป็นประธานของเทวดาและพรหมเทศโปรโดแม่สามเดือนแม่ไดบลรทำนี่ไง พ่อได้เป็นพระรหันเห็นไหมพระเจ้าสุโธธนะฉะนั้นไม่มีเลยคนที่ปราถนาเป็นแม่ของผู้บริษัท์เป็นพ่อของบริษัท์เนี่ยที่จะไปตกรกรรมลำบากไม่มีหรอกท่านขนหรือสัตว์ออกจยากสงสา ร, รวาหมดนี่ไงน่าชื่นใจไหมเพราะท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ท่านเป็นผู้มีบุญบรารมีมากนี่เราไม่ได้ตั้งอธัธยาศัยไว้แต่แรกใช่ไหมตอนตอนมีบุตรเนี่ย ตอนที่คิดวางแผนจะมีบุตรเนี่ยถ้าศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็เตรียมวางแผนตั้งแต่ต้นใช่ไหมวางแผนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ต้นเลยแล้วตั้งอัธยาศัยรักษาศีลตั้งมั่นในกุศลธรรมแล้วก็สมาทานขอคนมีบุญเท่านั้นมาเกิดนะถ้าไม่มีบุญขออย่าได้มาเกี่ยวข้องกัาพญาจะมาได้ยังไงเพราะเรารักษาศีลเพราะเราเจริญเพราเราฟังธรรมคนมีบาปก็ไม่กล้ามาใช่ไหมตั้งอัธยาศัยเข้าไว้ ไอ้ตอนนี้อายุมากแล้วทําไงหมดโอกาสไม่ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คิดอย่างนี้มันะะ ต, มต่างกันยังไงเนาะคืออย่างนี้คือคืออย่างนี้ว่าได้บอกไว้แล้วว่าตัวให้ผลไม่ใช่วัตถุวัตถุมีอะไรเรายมตัวให้ผลจริงๆไม่ใช่ตัววัตถุแต่เจตนาเป็นต้น เจตนาที่เป็นไปกับความไม่โลภความไม่โกรธปัญญาเจตนาที่เป็นไปกับศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นต้นคุณธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกับเจตนาอย่างมากมายนะองค์คาพยพของเจตนาโยธาทานทั้งหลายองทัพเหล่านี้ยตัวนี้ต่างหากที่เป็นตัวผลิตวิบากทีนี้ถามว่าทําไมเราต้องปรุงแต่งจิตระดับนั้นเพราะต้องการเดินจิตที่เป็นไปกับทานกุศลให้ต่อเนื่องและให้ยาวนานและให้มีกําลัง ตอนนี้ชาวพุทธตีบตันในการคิดทานกุศลเงินมากคิดแค่สองนาทีก็จบแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ไม่เคยคิดอะไรต่อแล้วก็ปล่อยเรื่องราวนั้นผ่านไปอย่างยาวไกลนานๆก็มาคิดทานกุศลทีอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ไปติดประต่อแล้วก็ไม่ต่อเนื่องกุศลก็ไม่เดินจริงกุศลก็ไม่ได้เดินจริงฉะนั้นถ้าหากเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นเลยว่าเราก็จะเห็นบอกว่า ไอตัวทานกุศลเนี่ยนะเป็นปริมาณใครผลิตปริมาณเจตนาที่เป็นไปกับบุญได้มากเท่าไหร่อันนั้นเป็นตัวชี้เลยว่าบุญมากเลยน้อยเริ่มมองเห็นตรงนี้ยังวัตถุตามมาทีหลังเมื่อเมื่อปรุงแต่งจิตแล้วพัฒนาวิธีคิดถูกต้องแล้วต่อมานั้นมาประดิษฐ์ประดอยวัตถุให้ปปะนีตตามสถานะที่ตนเองมีทรัพย์มากเลยน้อย มันก็มาแยกกันเป็นว่าสามีทานสหายทาและเฮนาทานใช่ไหมทานชั้นต่ําชั้นกลางและชั้นประณีตชานชั้นต่ําก็หมายความว่ า, วามีของประณีตแต่ให้ของเลวๆของไม่ดีชาตระดับสหายทานเป็นมัชชิมะระดับกลางระดับเท่ากันก็คือว่าตนเองใช้อย่างไรก็ให้อย่างนั้นทานระดับสูงคือตนเองใช้อย่างนี้แต่ให้ของที่ประณีตให้ของที่ประเสริฐให้ของที่เลิศ ก็มาวัดกันที่วัตถุอีกครั้งหนึ่งแต่จิตที่ถูกพัฒนาอย่างดีแล้วจะน้อมของปราณีตเพราะเข้าใจ อ, อย่างยกตัวอย่างเช่นพระโพธิสัตว์เนี่ยเวลาจะให้นั้นนะ่ะนอกจากท่านพัฒนากุศลธรรมคือเจตนานั้นนะ่ะกระบวนการของกุศลธรรมนั้นหนาะแน่นไม่พอแต่ตัววัตถุวัตถุสิ่งของนี่นะท่านก็ทำให้ปราณีดด้วยหนึ่งท่านจะไม่ถวายสิ่งเดียวยกตัวอย่างน้า ใช่ไหมเอาน้ําเนี่ยถวายเป็นพุทธบูถวายก็เป็นทานอากุศลนี่ไหมน้อมเป็นถวายเสียงเป็นพุทธบูชาก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเอาน้ําไปถวายเดพระที่กําลังกล่าวพระธรรมนี่นะบอกว่าด้วยน้ํานี้แหละน้อมถวายบูชาเราไม่สามารถให้เสียงเป็นพุทธบูชาได้แต่เราเห็นพระกําลังกล่าวพระธรรมหรืออุบาสกบาลิกากาลังกล่าวพระธรรมอยู่ แต่การกล่าวพระธรรมนั้นจะชัดเจนหรือไม่เนี่ยก็ด้วยอาศัยน้ํานี่แหละเป็นหล่อเลี้ยงทําให้สายเสียงหลอดเสียงต่างๆเหล่านี้มีความจำสใสคมชัดมากขึ้นฉะนั้นเราจะถวายน้ํานี่แหละแต่เอาเสียงเป็นประธานน้ํามีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาด้วยนี่น้อมถวายเสียงเป็นประธานเอาสิ่งของต่างๆเหล่านั้นเป็นบริวารสีเสียงสีกลิ่นรสสัมผัสเป็นบริวารได้ทำอารมณ์ เห็นไหมกรณีอย่างนี้แปลว่าเป็นการปรุงวิธีคิดไหมจิตที่ปรุงมากๆปรุงบ่อยๆเบีด เ, เสร็จอย่างเงี้ยแปลว่าเจตนาจะแข็งแรงไหมโยงแข็งแรงไหมตรงนี้แหละบุญปราณีตหรือไม่ปราณีตวัดที่เจตนาที่ปราณีตหรือไม่ปราณีต ด, ด้วยเข้าใจยังทีนี้ของจะหมดหรือไม่หมดไม่ใช่ประมาณ ของม่ะไม่ใช่มันก็หมดใช้มันก็หมดแต่ในสังสารวัตรที่ผ่านมาเรามีของเราใช้ไปหมดเลยแต่ไม่เคยเป็นทานเลยเพราะเราไม่คิดแบบนี้ไงตั้งแต่อดีตในครบนี้ที่ผ่านมาของกี่ชิ้นแล้วที่เราทิ้งเสียหายไปกินทิ้งไปคว้างไปเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเราซื้อของกินเท่าไหร่แต่เราไม่เคยเป็นทานกุศลเราให้พ่อให้แม่แต่ไม่เคยเป็นทานกุศลเลย เพราะไม่คิดว่าเป็นทานเห็นไหมเสียหายไหมเนี่ยเสียหายไปไม่รู้เท่าไหร่เหมือนเราทิ้งขยะเราให้ก็ไม่เคยไปปรุงแต่งจิตเลยแล้วมันจะเป็นทานได้ไหมเพราะทานทานนั้นมันเป็นไปกับจิตที่เป็นไปกับกุศลคือจิตคิดให้เนะยแต่เราให้ลูกทุกวนันวันละร้อยละร้อยไม่เป็นทานกุศลก็ได้เป็นก็ได้เนี่ยถ้าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจอ ย, อย่างเดี๋ยนี้ปกติเราต้องให้เงินลูกทุกวันไหม ให้ทุกวันใช่ไหมมีลูกกี่คนเห็นไหมเนี่ยเราให้เงินลูกทุกวันไหมไปโรงเรียนใช่ไ้ยแต่เคยคิดว่าเป็นทานกุศลได้ไหมเพราะไม่รู้จากทานจะไม่เป็นทานเลยแล้วก็นึกว่าแม่ต้องให้ลูกถ้าให้ด้วยความด้วยด้วยความรักลูกอ้อลูกมาไหว้ก็ให้มันจะไม่เป็นทานกุศลเลยย่องมันเป็นให้แค่นั้นแหละแต่ให้ด้วยโลภะโทสะโมหะก็ให้ทุกวัน ลูกมาก็ให้จะขออะไรก็ให้ให้ให้ไปเงี้ยแต่มันไม่เป็นทานนะกุศลไม่เป็นทานนะกุศลให้เพื่อนให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่เราก็ให้กันทั้งนั้นแหละนี่เห็นไหมจิตที่ไม่เป็นทานนะกุศลมันเลยไม่มีผลผลิตเป็นเม็ดของทานนะโอ้โหจะคนให้ทานเป็นไม่มีใครยากจนเลยยอมเพราะทานเนี่ยให้ผลเป็นทรัพย์ไหมเจตนาทานเนี่ยให้ผลเป็นทรัพย์นะ แต่ว่าได้ตรงเลยให้ผลเป็นทรัพย์ภายในและภายนอกแล้วทาไมทรับภายนอกเรามันร่อยหลอลองขนาดเนี้ยอันนี้แปลว่าทานอกุศลไม่ผลิตวิบากที่ถ้าให้เป็นแล้วทําไมเป็นแบบนี้เอาชีวิตทําไมเป็นอย่างเงี้ยก็ทานเนี่ยให้ผลเป็นรัพย์แต่ทําไมมันยากจนลงยากจนลงยากจนลงเพราะอะไรก็มันให้ไม่ถูกใช่ไหมถ้าให้ถูกมันจะต้องให้ให้ผลที่เหตุกับผลต้องตรงกันใช่ไหมโ้เนี่ กาเกษตรนาสนะให้เสษนาสนะเพื่อให้เสเสนาสนะทั้งหลายในี่พุทธเจ้าบอกว่าให้เสนาสนะเป็นทานเนี่ยป้องกันเหลือบลิ้นยุงไรลมแดดและสัตว์เล้อยคานทั้งหลายความหนาวเป็นต้นเหล่านี้ด้วยไหมพุทธเจ้าชื่อว่าให้ทั้งหมดโอ้โหก็ไล่ไปสิชื่อว่าให้ข้าวด้วยให้น้ําบังให้อะไรต่างใช่ไหมชื่อว่าให้ทั้งหมดเนี่ย ถา้ า, า, า, ถ, าถามว่าให้เสนาสนะถวายเดชสงเนี่ยถามว่าเนี่ยบรรดาสงเหล่านั้นเนี่ยเมื่อท่านมาเหล่านั้นและท่านท่านประพฤติปฏิบัติกันไหมท่านเดินกุศลแล้วเมื่อภิกษุสงมาเนี่ยท่านก็บูชาพระเจ้าถือว่าบูชาถือให้พระเจ้าด้วยใช่ไหมมีพระธรรมด้วยไหมโอยต้องคิดด้วยทีนึง เราให้หมดเลยให้ทั้งสีเป็นทานให้ทั้งเสียงเป็นทานให้ทั้งกลิ่นเป็นทานรสเป็นทานสัมผัสเป็นทานโผฏฐพะและธรรมอารมณ์ให้ทั้งอมิสทานด้วยนะให้ทั้งอภัยาทานให้ความปลอดภัยด้วยนะและให้ทั้งธรรมทานด้วยเมื่อพระท่านมาอยู่ท่านสาธยายพระธรรมไหมนั่นนะ่ะนี่เราไม่ได้ปรุงแต่งตรงนั้นเลยไอโรงงานที่ให้มันเลยไม่ได้ผลิตบุญที่จริงเป็นโรงงานที่ยังตอนนั้นน่ะเป็นบริษัทนีอยัง บริษัทที่ให้แต่บริษัทนั้นเป็นบริษัทที่ผลิตกุศลนะแต่เราคิดไปทีไรเนี่ยกุศลมันไม่ผลิตเพราะผู้บริหารบริษัทนั้นไม่ชำนาญกลับไปบริหารใหม่ได้ไหมตอนนี้พ่อยังอยู่นั่นแหละก็กลับบริหารใหม่ด้วยการเอามายึดท่านบอกว่าใช้เป็นเชือกยึดให้เป็นอารามณะปัจใจให้เป็นอารามนาธิบดีให้เป็น อ, รนอรานอรมนูปนิสยะถ้าอารามณะปัจัยก็คือยึดหน่วงเป็นอารมณ์ของ กุศลนะไม่ใช่เป็นของโลภะเป็นอารามนาธีบดีคิดถึงเจตนาคือจิตที่คิดจะให้เป็นต้นเหล่านั้นนี่ยที่ว่าเป็นไปกกุศลบอกโอ้ยสภาพกุศลและจิตตรงนั้นเนืน้อมถึงคุณของพระศาสดาพระธรรมและพระสงฆ์เป็นต้นเหล่าเนี้ยเป็นเชือกยึดหนาแน่นมากก่อนตายมีวัตถุมีเจตนามีกุศลเหล่านั้นเป็นอารมณ์นัมีสกติเป็นไปในภพหน้าดัถ้าเอามาเจริญเป็นจาคานุสติด้วยเป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์ด้วยทําอย่างหนึ่งที่ ที่มีผลมากมีอนิสงฆ์มากที่พระเจ้าตรัส่ดูก่อนพิกษุทั้งหลายทําอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวย่อมเป็นไปเพื่อความดับเนื้อย่อมเป็นไปเพื่อความตัดสรุอย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายย่อมเป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งย่อมเป็นไปเพื่อความตัดสรู้ย่อมเป็นไปเพื่อปรินิพานทําอย่างหนึ่งนั้นคือจาคารุสติ คืออย่างนี้ภัยพิบัตินี่นะเราต้องรู้เหตุผลก่อนว่าภัยพิบัติเหล่านี้มาจากอะไรใช่ไหมถ้าเราดูจากคนเดินทานในกุศลที่ให้ทานโดยการกระทบตนและบุคคลอื่นและคนที่ไม่มีศีลกลุ่มบุคคลเหล่านี้ให้ทานกระทบตนและบุคคลอื่นเนี่ยเมื่อมีทรัพมาแล้วก็จะถูกไฟไหม้น้ําท่วมแผ่นดินไหวเป็นต้นใช่ไหมเพราะการให้ทานที่มีการกระทบตนและบุคคลอื่นเป็นไปกับที่ติและมานะ นี่ถ้าเรามองอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโทษของปานาดีบาศเขาก็ทําให้เสียชีวิตโทษของอาธีนาทานก็ทําให้เสียทรัพย์โทษของกาเมียสุมิจชาจานที่เขาประพฤติปฏิบัติมาก็ทําให้เขาแพศภาคจากของคู่ครองทั้งหลายพอเรามองเห็นอย่างเนี่ยต่างๆเหล่านี้ถามบอกว่าการให้เนี่ยก็คือการให้ความปลอดภยัยในให้ความปลอดภยัยก็เป็นอภัยทานส่วน น, น, นอกจากเป็นเป็นทานกุศลธรรมดาไม่พอนะพัฒนาสู่เป็นอภัยทานด้วยให้ความปลอดภยัย ไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นใช่ไห ม, ไมกเ็เลยช่วยแบบนั้นคืออย่างนี้นะเขตที่เป็นอย่างนั้นเพราะเพราะไม่มีกุศลศีลฉะนั้นถ้าไม่ปรารถนาจากเป็นอย่างนั้นก็รีบตั้งมั่นในกุศลศีลทุกข้อแล้วก็เดินศีลให้ถูกแล้วต้องกลับมาศึกษาศีลใหม่ดูทั้งโทษของการทุรร่ศีลแล้ไอสง์การมีศีลด้วยแล้วก็การให้ทานก็ให้ถูกให้เป็นสัพพุริสทานอย่าให้ด้วยการกระทบตนและบุคคลอื่น ตรงนี้เราก็จะพ้นจากภัยตรงนั้นถ้ายังมีทรัพย์อยู่แต่ในขนาดเดียวดถึงทรัพย์ไม่มีภัยมาเบียดเบียนแต่ทรัพย์นั้นก็ไม่เที่ยงเนอะยังไม่มีทุกข์นะเราเป็นอนัตตาเนี่ยก็ต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยไอ้ตรงนี้ก็คือนั่นแหละถ้าสละเสียก็เป็นทา น, นอกุศลไปตั้งนานแล้วโยมถ้าไม่สละถามว่าเรารู้ไหมว่าวันนี้แผ่นดินจะไหวที่บ้านเราไม่รู้เ น, นเมื่อไม่รู้เสียก็รีบสละให้หมดดีไหมโยม อยังไม่เข้าใจอีกตอนูที่จริงถ้าถ้าพูดมาขนาดเนี้ยถ้าเอาเทปกลับไปฟังแล้วยอมจะเข้าใจใช่ไหมถ้าเอาเทปกลับไปฟังยอมจะเข้าใจแสดงว่าแสดงให้เห็นชัดว่าโยมไม่ได้ฟังให้ต่อเนื่องถ้าฟังให้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบยมวันดีเข้าใจใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมก็ยังเข้าใจได้อันนี้แสดงให้เห็นชัดว่าถ้าฟังแบบขาดขาดวิ่นวิ่นเนี่ยอาจจะต้องคือบางทีคิดว่าอไม่ได้เราให้หมดไม่ได้ ให้หมดเราเสียหายเนี่ยเราเสียหายเนี่ยยังคิดอยู่งี้ไหมตอนนี้ยังคิดอยู่ไหมยังไม่แน่ใจนะก็สืบค้นข้อมูลต่อไปอย่าเพิ่งเชื่อว่าให้แล้วจกดีจริงแต่ถ้าลองฝึกให้แล้วถ้าเข้าใจข้อมูลแล้วจะรู้ว่าถ้ารู้อย่างนี้ให้มาตั้งน้นแล้ว นี่ผิดผิ ด, ผดเพราะไม่ใช่หลักคําสอนตรงดีไหมเพราะอันนั้นไม่ใช่เป้าหมายที่พุทธเจ้าสงฆ์วางหลักไว้เพราะว่าที่จริงเนี่ยนะถ้ารู้เหตุผลจริงๆไม่ต้องหวังก็ได้ใช่ไหมถามว่าคนคนที่เขารู้จักเหตุผลเนี่ยนะเช่นบรรดาผู้ลงทุนนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ต้องหวังมีทรัพย์เนี่ยแต่เขาสร้างเหตุถูกแล้วเขาก็ได้ อย่างยกตัวอย่างเช่นการเรียนเนี่ยเมื่อการเรียนการฟังคําสอนเบ็เสร็จเนี่ยไม่ต้องหวังว่ามีปัญญาก็มีก็ได้ปัญญาใช่ไหมเพราะเหตุถูกคือการฟังการสั่งสมสุตตะการพอกปูนสุตตะการฟังมากๆการอวมวิจัยไข้ควรวิจัยพิจารณามากๆที่สุดจริงๆปัญญาก็เกิดนี่เหตุกับผลมันตรงกันก็เหมือนอย่างนี้นะว่ากรณีการเรียนเนี่ยนะถ้าเราเรียนเบ็เสร็จเนี่ยเป้าหมายคือก็ต้องการอะไรต้องการใบประกาศนี่มันเฟะไปเลยนะเป๋ไปแล้วเนี่ยเป้าหมายมันเป๋ไปแล้ว แต่ถ้าเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ความสามารถให้เกิดความชมํชมนานิชํานาญและเข้าใจในวิชาการที่ตนเองเรียนเพื่อจะเข้าถึงความจริงของวิชาการนั้นๆเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตของตนเองให้ได้เพื่อ น, นํามาใช้ประโยชน์ให้ได้จากชีวิตของตอนเองแต่ใบประกาศเป็นผลพลอยได้รู้จักผลโดยตรงและผลโดยอ้อมชัดเลยนี่ก็เหมือนกันงั้นถ้าเราเราชัดเจนอย่างเงี้ยเราก็เดินเดินเดินคำสอนได้แล้วเดินสู่คําสอนได้ เห็นไหมที่เราแยกไม่ออกไงอะไรผลโดยตรงอะไรคือผลโดยอ้อมแยกไม่ออกถ้าเราแยกได้ก็ชัดชีวิตเราก็ไม่ฝากไว้ที่ผลโดยอ้อมนี่นก็ทุกตายเลยเลยใบประกาศไม่ออกสักทีอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหเหมือนกับคนเหมือนกับคนทํางานเอาสุขทุกไปไว้กับเงินเดือนเน <c oughs> ่ะอ๋อใกล้ตัวที่นั่งตรงนี้วะ <c oughs> อ๋อเนื้อ <c oughs> อ๋อคืออย่างนี้ก็แล้วกัน <c oughs> คืออย่างนี้ก็คือว่าวันนี้เขาได้ข้อมูลอย่างนั้นก็ปล่อยไว้ก่อน แต่พยายามให้ข้อมูลให้ถูกให้ข้อมูลคําสอนไปเรื่อยๆเอาเทพไปเปิดดังๆที่เขาพูดเรื่องทานกุศลที่ชัดเจนเนี่ยนะใครก็ได้ที่ไปพูดพูดพูดให้เข้าใจชัดเจนเรื่องเหตุผลเหตุอย่างนี้ผลจ ะ, จะได้อย่างนี้ <figures> เหตุอย่างนี้ผลจะได้อย่างนี้ในรายละเอียดมันเยอะไงให้ข้าวได้ผลอย่างไรให้น้ำได้ผลอย่างไรเหตุคือให้ข้าวได้ผลอย่างไรเหตุให้น้ำได้ผลอย่างไร เหตุให้ที่อยู่อาศัยได้ผลอย่างไรอาสนะให้ผลอย่างไรเตียงตั้งให้ผลอย่างไรัยอย่างนี้การให้สีเป็นทานการให้เสียงเป็นทานให้กลิ่นให้รสให้สัมผัสเป็นทานให้บุตรเป็นทานให้ภรรยาเป็นทานให้เลือดเป็นทานให้ตาเป็นทานให้อวัยวะให้มือให้เท้าเป็นทานผลอย่างไงจะมีรองรับกันอยู่เบ็ดเสร็จใช่ไหมอันนี้เราไม่ได้เรียงลำดับว่าให้เหตุอย่างนี้ผลจะได้อย่างนี้เหตุอย่างนี้จะได้ผลอย่างนี้ แ้นตัวสัมาธิฏิญาณ น, นะยังไม่ได้ทำงานาก็ก็ทำอย่างมืดหน้าตาลายลก็ยังไม่ดีนะสรุปคืออย่างนี้การเจริญทานกุศลเป้าหมายเพื่อทำลายโลภะทำอะโลภะคือความไม่โลภให้เด่นขึ้นเป้าหมายต่อไปก็คือทำลายโทส ะ, ท ำ, ท, สะทำความไม่โกรธให้เด่นขึ้นคือโทสะคือความตนหนีอยู่ในนั้น แล้วก็ให้ยานปัญญาเป็นสัมมาทิฐิเป็นปทีบส่องนาหน้าเพื่อจะได้เห็นเหตุผลที่จะได้ต่อไปเพราะว่าผลของทานนั้นน่ะความสมบูรณ์แห่งพบชาติและความสิ้นจากพบชาตินั้นเป็นผลปรากฏทานเป็นแบบนี้สมบูรณ์ของคำว่าพบชาติก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สมบูรณ์บริษัทบริวารสมบูรณ์แล้วก็เป็นปัจจัยการสิ้นจากวัตถุกด้วยนั่นคือผลของทานกุศล ถ้าอย่างงี้เขาเรียกผลมันชัดแล้วก็ดําเนินเหตุไปเพื่อได้ผลตรงนั้นถ้าเป้าหมายเนี่ยท่านไม่ให้เดินทานกุศลเพื่อหวังทรัพย์แต่ให้เดินทานกุศลเพื่อหวังความพ้นทุกข์พอทรัพย์เนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับนายพานเข้าป่าฆ่าเนื้อฉะนั้นเป้าหมายของนายพานคือเงินแต่พอแบกเนื้อมาแล้วเนี่ยมแมลงวันมแมลงเหลือบมันวิ่งตาม อันนั้นไม่ใช่ผลบุตรบริวารทรัพทั้งหลายก็คือเหลือบและแมลงวันใช่หไหมเขาน้อมสละออกน้อมสละออกเขาไม่ใช่น้อมกอดมายึดติดไว้เพราะเป้าหมายเขาไม่ใช่ต้องการเหลือบและแมลงวันเขาต้องการเงินที่ได้จากการแบกเนื้อไปขายแม้ชั้นใดเดินทางกุศลเป้าหมายคือพ้นทุกข์ไม่ใช่เป้าหมายอยู่ที่ทรัพย์แต่เพราะการเดินทางในกุศลถูกเนี่ย รัพย์มันตามมาแต่ให้ตั้งอัธยาสัยว่าทซั์ไม่เป็นสิ่งที่มีควรติดข้องให้มาต้องเอามาเป็นฐานแก่การเจริญบุญยิ่งขึ้นไปฉะนั้นมีเพื่อการสละถึงจะถูกแต่ไม่ใช่มีเพื่อการยึดติดมีเพื่อการสละออกแต่แต่ถ้ามีเพื่อการยึดติดก็เป็นทุกข์อยู่ล่ําไป อ๋อใช่เพราะคนเราถ้าหากว่าไปตั้งอ๋อก็ดีแล้วก็ให้ข้อมูลให้ถูกนะเอาข้อมูลให้ถูกบอกว่าพี่พี่ทำได้ดีแล้วแต่มันมีวิธีการต้องปรับปรุงให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปต้องพัฒนานะให้กำลังใจเขาการให้อย่าเปลี่ยนแปลงแต่วิธีคิดต้องเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนแปลงการให้แต่จงเปลี่ยนแปลงวิธีคิดแล้วพี่จะลุ่งเรืองและใหญ่ที่สุดที่ในโลกก็ได้ ถามบอกว่าสัมมาสัมโพธิญาณได้มาเพราะทานกุศลนะเขาบอกบอกเขาอย่างนั้นปัจเจกโพธิญาณก็ได้มาเพราะทานกุศลสาวกโพธิญาณทั้งหลายก็ได้มาเพราะเพราะทานในกุศลก็บอกว่าจักระพเทวสักการสมบัติมาและสมบัติพรหมและสมบัติมนุษยสมบัติทั้งหลายได้มาเพราะทานในกุศลที่มีศีลกำกับเนืบอกบอกเขาอย่างนั้นฉะนั้นการให้ไม่ต้องเปลี่ยนแต่วิธีคิดต้องเปลี่ยนเพราะที่เพราะทานกุศลอยู่ที่วิธีคิดไม่ใช่อยู่แค่วัตถุเข้าใจไหม ังนั้นถ้าเชื่อก็ให้ข้อมูลให้ถูกใช่ไห ม, ไ ม, ไมคือตรงนี้นะประเด็นก็คือโยอมต้องให้ข้อมูลให้ถูกแต่ก่อนจะให้ถูกโยมต้องรู้ถูกก่อนดีไหมตรงเนี้ยนะก็ไปพัฒนาเรื่องทานกุศลให้ดีแล้วต่อไปเนี่ยจะทําจะได้เป็นครอบครัวในการเดินทานกุศลที่ดีที่สุดดีไว้แบบเนี้ยตรงนี้เราก็มันยังไม่ได้เหตุปัจจัยเนาะก็ให้เขาได้เหตุปจัจจัยถ้าเราคุยไม่ได้ก็ให้คนที่เขามีข้อมูลมากกว่าเราคุยดีไหม ก็พาไปหาคนที่มีข้อมูลมากกว่าแล้วเขาก็จะชี้แจงได้เพราะเขาเจะอ่านออกว่านี่ก็รอเวลานะชาติชาตินี้แก้ไขไม่ได้ก็รอชาติหน้าเห็นเป็นไรเลยเอาตอนนี้นี่หมดเวลาเลยนี่นะงั้นเดี๋ยวสวดมนต์กันหน่อยดีไหมพระตั้งใจสวดมนต์เนี่ยทั้งหมดที่กล่าวพระธรรมมาเนี่ยพาะเป็นบุญของพระพุทธเจ้าในลาพังเอามาเองเอามาไม่มีข้อมูลแต่อาศัยข้อมูลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้นสิ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือพระสามมาสมุทัยเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าชีวิตของพวกเราก็ไม่รู้จะหกและหกและเหินอย่างไรฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นทั้งหมดของชีวิตไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นทั้งหมดของชีวิตชีวิตของเราเนี่ยถ้าไม่มีพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้นชี้นาง น, นำทางว่าสิ่งนี้ควรแก่เธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่น่ากรุณามากมาก ฉะนั้นเราได้เกิดในการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการที่หายากที่สุดและเป็นการที่เราท่านทั้งหลายยังมีลมหายใจที่พอจะสืบต่อคําสอนได้ด้วยการนี้จึงเป็นการที่ไม่ควรประมาทควรจะระลึกแล้วก็มีความรักศรัทธาเชื่อมั่นในพระศาสดาอย่างท่องแท้และอย่างตั้งมัน่นอย่าหวั่นไหว เมื่อเจอภัยเจออุปสรรคต่างๆให้คิดว่าเรามีสารณะเรามีที่พึ่งเรามีเครื่องกําจัดภัยคิดถึงสิ่งอื่นบุคคลอื่นไม่ทําให้ความสุขใจเกิดได้จริงคิดแล้วก็ทุกข์ที่สุดจริงๆก็วนเวียนจมอยู่ในสังสาระทุกข์คิดถึงลูกคิดถึงภรรยาคิดถึงสามีคิดถึงพ่อถึงแม่ไม่ทําให้เราเกิดความสุขได้นานเลยคิดไปคิดมาก็ทําให้เราวิตกกังวล แต่คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระริยสงศ์โดยเฉพาะคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำให้เราเป็นอิสระมีความปลอดโปร่งและมีความโลง่งจักมีความสุขแต่ขอให้เรามีข้อมูลในคาสอนของพระศาสดาพระศาสดาไม่เคยละเว้นเราแต่เราต่างหากละเว้นพระพุทธเจ้าจิตใจของเราต่างหากที่ทิ้งพระพุทธเจ้า เนั้นเมื่อจิตใจของเราไม่เข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละไม่เดินตามรอยบาปภาษาสดานี่แหละไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่แหละเราลืมพระพุทธเจ้าเป็นระยะระยะระยะบางครั้งก็เป็นระยะที่ยาวมากๆฉะนั้นกลับความรู้สึกใหม่ให้คิดถึงพระพุทธเจ้าให้มากมากสิ่งอื่นคิดถึงแล้วไม่ดีจริงนําความทุกข์ใจมาฉะนั้นวารานี้ฟังคําสอนของภาษาสดา ก็น้อมบูชาคุณของพระศาสดาโดยการสวดบารมีพุทธิยาวดีกว่านะทานาปารามิสัมปันโนนาปะปะปา ร, รามิสัมปันโนทานา มาธาปารามีสัมปันโนเมไมตริกาลุณามุติตาอุเปกขาปาราสามปันโนอิติปิโสภาควา สีราปารามสัมปันโนสีลาอุปปารามิสัมปันโนสีลาปารามทธปารามิเม สาไม่ตรีกรุณามุทิอุเปกขาปาราสามปานโนอิติปิโสมควาเนคขามาปาราสามปานโนเนก ขามาโอปปามารามีสามพันโนเนคขามาปารามัตถปารามีโนเมตตาไมตรีกาโรหา อุเปกาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคาวะปัญญาปารามิสัมปันโนญาอุปปารามิ ปัณโนปัญญาปารามทะปารามิโนเมตตาไมตรีการุณามมทิตาอุเปกขา ามิสัมปันโนอิติปสภาควาเวริยปารามิสัมปันโนเวริยอุปปาราสัมปันโนเวริย คารามัตปาราสามปันโเมตตาไมตรกรุณาคาบปารามิสามปันโนอิติปิโสภคาวาคานติ ปารามิสามปานโนคันติโอปปารามิสามปานโอปาระมัตถปารามิสามปานโอ เมตตาไยตรีการุณาอุเปคขาปารามิสามปันโนอิติปิโสภควาสัจจปารามิ สามปานโอ萨จ่าอุปปารามิสามปานโอ萨จ่ปารมัทธปาสามปานโนเมตตามัยตริกรุณา สาปารามิสามปันอิติปโสภควอาิทานาปารามสามปันโนอาิทานาอุปปารามิสามปันโน อธิตทานาพร r ม m a t t า p า r a m a sampanno m e t t a ร a i t r i k a r u ป a u า a k a r สามปานโนอิติปิโสภคะวะเมตตาปาราสามปานโนเมตตาอุปปารา สามปานโนเมตตาปารมัทธปารามิโนเมตตาไมตริกรุณามมทิตาอุเปกปารามิ สามปานโนอิติปิโสภะคาวะอุเปขาปารามิสามปานโนอุเปฆาอุปปารา สามปานโนเปกขาปารามัทธปารามิโนเมตตาไมตรีการุณาอุเปกขาปารามิ สามปานโนอิติปิโสภาควาทัศสาปารามิสามปานโนทัศสัปารามิสามปานโนทัสา สามปันโนเมตตาไมตรการุณยมุทิตาอุเปกขาปาราสามปันโนอิติปิโสภาคาวาตีพูทังสารณ ข้าชามีธรรมงสารันต์ขาชามีสังขางสารนะข้าชามีนามมีหางสาธุสาธุสาธุ ต่อไปว่าตามนะ่ะอุทิศส่วนกุศลสัตว์ทั้งหลา ย, ลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนับบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ ว, ล ว, ลวคือจะเป็นสัตว์เราใด ซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุ ณ, เ, คณเช่นมาร ด, ดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไ ม, ไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลงหรือเป็นคู่เวกรกันก็ดี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 ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปว ง, งจ<อ>งเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่ อ, นอจนถึงพระนิพานน พ, านพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุสาธุสาธุ บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมสาธยายธรรมแสดงธรรมตลอดถึงบุญบารมีของ菩าสดาพระธรรมปริยสงฆ์จงคุ้มครองป้องกันกระแสชีวิตของเรานะให้รอดพ้นจากอุปสรรคพยานันทลายทั้งต่างเป็นปัจจัยในการที่จะเดินทางศีลภาวนาโดยโดยเฉพาะศีลสมาธิปัญญาในการที่จะพัฒนาเข้าไปสู่ การออกจากบาปอกุิแลธรรมลามกออกจากปาณาติบาตออกจากอาทินนาทานการเมสมิฉาจารมุสาวาตปิสุนาวาจาโพาาาุสวัจาสัมภลปลาปะออกจากความโลภโกรดหลงด้วยทานศีลภาวนาและศีล ส, สมาธิปัญญาพัฒนาไปสู่อุปจารสมาธิออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิแปดประการคือการมาฉันทาเป็นต้นได้ พัฒนาศีลสมาธิปัญญาไปประชุมในปฐมฌานทุตยิตตยฌานตัติยฌานจตุติฌานและในอรูปฌานทั้งสี่จนสา ม, มารถเดินศีลสมาธิปัญญาไปประชุมในอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนานัตานุปัสสนานิพพานุปัสสนาวิราขานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาและปฏินิสคานุปัสสนาเดินอนุปัสสนาเจ็ประการประชุมในโสดาปิมาร โซดาปฏิพลสกาธาคามีมรักสกท า, าคามีผลอนาคามีมรักนาคามีผลอาราธมรักอาราธาผลจนสามารถได้อนุปาธาปรินิพานคือการดับกิเลสและขันห้าโดยไม่มีส่วนเหลือจนทั่วถึงกันทุกท่านทุกประการเธอดเอต่อไปไหว้พระกันด้วยอระหังสัมมาสัมบูโธพระภาวะผู้ทานพระกว า, าะกวา สวากาโตภะคะวะตาธรมโมธรมมนมสังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสหะวะคัซังโกสังขังสาธุสาธ